ใครจะส่งกันบ้านเชิญมีไหมไม่มีก็ผ่านนะไม่จำเป็นนะผ่านผ่านไปนกราบนวัต ก, การกพ่อค่ะไม่ทราบว่าตอนสวดมนต์นะคะก็เห็นปากก็สวดอยู่แต่ว่าจิตมันไปคิดอย่างอื่นนี่นี่คือการที่ดูว่าจิตกับ กีไมันก่ใช่สิสจิตต้องเป็นคนดูอยู่นะถ้าจิตดีไปคิดเรื่องอื่นอันนี้ก็ปากสวดไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ได้นะทํายังไงที่จะให้จดจออ่จจจดจออยู่กับการสวดถ้าจงใจจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์เนีเป็นสมถะถ้าเห็นร่างกายสวดมนต์ใจเป็นคนดูอยู่เป็นวิปัสสนาถ้าสวดมนต์อยู่ใจหนีไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านนะจำแนกสภาวะใจมันจะฟุ้งหนีไปที่อื่น ลืมงานที่ทำอยู่แต่ถ้าทำอยู่แล้วอินเข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่ก็ได้ความสงบเฉยๆได้สมถะวันนี้กลับบ้านแล้วค่ะจะขอกันบ้ากหลวงพ่อไขยันภาวนากนล้กันนะมีสติให้มากๆนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะรู้สึกตัวไปเรื่อยเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูฝนะึกมากๆแล้วนะกิเลสอะไรเกิดไม่เห็นเอง นมัสการหลวงพ่อคะ่ะอื ม, มันเหมือนก็ดูไม่มีปัญหาค่ะดูธรรมดาแต่ความคือดูไม่มีปัญหาเลยรู้สึกว่ามันมันน่าจะมีปัญหาค่ะเหมือนมันมันรู้สึกธรรมดาแต่หลวมไปหรือปเปล่าทําไมอ่ะอยากมีปัญหาจะจับ <laughs> ทุกครั้งจะจับผิดได้ว่าว่าเราว่าเราผิดอะไรอะคะ่ะในช่วงหลังจิตมันไปทรงตัวอยู่เหมือนตอนนี้ไ้มป ก, ต, ปก ต, ติจิตขนาดเนี้ยปกติไหมไม่ค่ะลอยๆยเออนะอย่าให้ลอยสิให้มันถึงฐานจริงๆนะอย่าออกนอกถ้าถึงฐานแล้วก็สมมติว่ามันไม่ยอมเดินปัญญานะดูร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนไปเลยนะ ถ้าดูจิตไม่ออกจิตมันนิ่งน่งว่างๆงดูไม่ออกสภาวะมันละเอียดดูไม่ได้ดูกายไปถ้าอย่างตอนนี้นี่ดูดู้ดูไม่ได้ค่ะตอนนี้ยังดูไม่ได้จิตไม่เขามัคถ้าดูว่ามัวได้ได้ถ้าดูว่ามัวนะแล้วก็ดูใจที่ไม่ชอบมัวเนี่ยใจที่ยินดียินไล่ต่อความมัวการดูมัวเนี่ยยังไม่ใช่ถึงจิตเรานะ จิตเรามีปฏิกิริยาต่อความมัวไม่ชอบรู้ทันใจที่ไม่ชอบเนี่ยถือจาใช้ได้ไม่งั้นก็ดูออกนอกดูมัวอีกนะมัวเป็นตัวโมวหะหลวงพ่อคะแล้วถ้าเราไม่เคยเห็นดับเห็นแต่เกิดเห็นแต่มันเกิดทางหูทางตาอย่างน <c oughs> <ๆ>ี้เห็นไหมว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราไม่เห็นตามมันดับต่อหน้าต่อตานะมันไปเปลี่ยนซะก่อนแล้วก็ดูนั้นไปเรื่อยเดี๋ยวอีกวันหนึ่งก็เห็นแล้วขอบคุณค่ะ ดูไปดูไปเห็นแต่ดับกระทบอะไรโน้นดับกระทบอันนี้ดับดับดับไปเรื่อยนะทีแรกเห็นเกิดดับพอชำนาญขึ้นเหลือแต่ดับดับดับดับไปเรื่อยจิตใจเป็นไงก็ต้องคอยรู้เอานะจิตใจไม่แช่มชื่นจิตใจอะไรนี่รู้ทันเลยนะกลับน้ัพระทหลวงพ่อครับก็ตอนนี้ก็คือ ขอส่งกันบ้านช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วกันครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับก็คือว่าในช่วงที่ผมฟังซีดีของหลวงพ่ออยู่ตอนนี้ผมคิดว่าผมกล้าพูดได้แล้วว่าผมเห็นจิตเป็นส่วนหนึ่งกายเป็นส่วนหนึ่งทางที่เมื่อก่อนพูดไปเพราะว่าอาจจะเป็นการคิดเองแต่ว่าพอผมฟังซีดีที่หลวงพ่อเทศกับโยมอีกคนหนึ่งฟังว่ามีโยมคนหนึ่งเขามาส่งประการบ้านบอกเขาเห็นจิตมัวจิตคุณจิต ไม่ดีแต่เขาบอกว่าเขาปฏิบัติไม่ได้แต่หลวงพ่อบอกว่าทําไมคุณรู้ว่าจิตมันขุณจิตมันดีแล้วเราเี่ทําไมคุณถึงมาบอกคุณปฏิบัติไม่ได้คุณดูจิตดูนี่อพอผมฟังตรงนี้มาปุ๊บผมก็เลยรู้สึกปีงขึ้นมาแล้วในขณะนั้นผมรู้สึกเห็นมาย้อนกลับมาที่ตัวเองผมเห็นจิตที่ดีใจก็เป็นตัวนหนึ่งผมก็เห็นมัน อ, อ, มอีกตัวนหนึ่ง จนผมเห็นอย่างนี้คืออันนี้เขาเรียกจิตตื่นหรือหรือเอหรือว่าจิตตั้งมั่นใช่ไหมครับใช่ผมเห็นความความรู้สึกนี้ประมาณหนึ่งวันกว่า <c oughs> แล้วพอเห็นตรงนั้นปุ๊บผมก็มีความรู้สึกแบบดีแบบเออเออขึ้นมาผมก็เหมือนเหมือนได้ใจว่าเออต่อไปนี้ถ้าเราเห็นอะไรอย่างนี้เราจะแบบแยกแล้วนะว่ากายออจิตอ่ะสมมติอาการดีใจส่วนนึงอาการอ่าเรามัน ม, มันมั น, ม, นมันไม่ใช่อย่างเงี้ย ความรู้สึกเกิดอะไรเกิดขึ้นก็เป็นอีกตัวนหนึ่ง <Yeah. S 2> พอมาวันที่สองวันที่สามปุ๊บมันเหมือนว่าผมมีความจงใจไป <Ừ. S 2> แยกมันนิดๆ <Yeah. S 2> พอวันที่สามตอนเย็นปุ๊บเอาเรื่องเลยฮะ <Yeah. S 2> ก็คือว่า <laughs> มันมันแยกไม่ออกมันรวมพอร <Yeah. S 2> วมเสร็จผมพยายามแยกแยกไม่ออกทีนี้ก็คือทําไงดีละ่ะก็ต้องกลับมาหาเบสิกที่หลวงพ่อเคยบอกว่า่ mm hmm. อะไรเกิดขึ้นให้รู้จิตรวมไม่รู้จิตอแยกไม่ออกให้รู้จิตขุ่นให้รู้ผมก็ กลับมาดูใหม่จนตอนนี้ผมว่าอย่างเมื่อเช้าผมตื่นื่นขึ้นมามันก็มีจิตตั้งมั่นบ้า ง, งไม่ตั้งมั่นบ้างครับส่วนกายเนี่ยผมจะเห็นกายเป็นก้อนๆหนึง่งชัดมากเวลาที่หนึ่งเวลามันหิว ท, ท้องเรามันก็เกิดอา ก, การมันจะเป็นแคก้อนทุกขครับเป็นเป็นอะไรสักอย่างที่แปกปรวนอยู่ข้างในอย่างบางทีเวลากินน้ํายกแก้วขึ้นดื่มน้ําก็จะเห็นน้ํามันไหลผ่านรูอะไรสักอย่างลงไปในท้อง จนตอนนี้ผมคิดว่ามันตั้งมั่นบ้างไม่ตั้งมั่นบ้างแล้วเมื่อจากคู่ น, นี้ที่ผมรับไมมาผมตั้งใจจะส่งสภาวะแต่ว่ามันตื่นเต้นก็เลยแบบมันโลง่โลงๆไม่รู้จะส่งอะไรอะครับเราเรียนให้มีจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะตั้งมั่นตั้งมั่นตั้งมั่นไปเรื่อยๆนะเราก็เห็นแต่เดิมเนี่ยจิตเรามีแต่หลงก็หลงก็หลงเรารู้สึกจิตมีอันเดียวคือหลงตลอดปีตลอดชาติแล้วจิตเที่ยง การที right through, you, estamos estamos ่ม well, okay. ีจิตตั้งมั่นแทรกขึ้นมาเนี่ยมันทําให้จิตหลงขาดเป็นท่อนๆออมันจะเห็นในจิตหลงเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้สึกตัวตั้งมั่นเกิดแล้วก็ดับเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่ใช่เอาจิตตั้งมั่นไม่ใช่เกลียดจิตที่หลงแต่เรียนเจนกระทั่งเห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเนั่นถึงจะได้ธรรมะเงั้นการที่จิตผู้รู้แล้วก็ผู้รู้ดับเป็นผู้หลงแล้วก็รู้ทันเกิดผู้รู้อีกนย ดีไม่ใช่ไม่ดีดีกว่าเป็นผู้รู้อยู่ทั้งปีทั้งชาตินะแต่วันนี้มาผมก็เหมือนได้บทเรียนว่าเวลาที่จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นมันก็รู้สึกเป็นกลางมันยอมรับความเป็นกลางได้มากขึ้นอือย่าไปประมาทนะถ้าอารมณ์แรงๆมาบางทีมันไม่กลางใช่ฮะวันที่ผมบอกว่าวันที่สามโนบทเรียนคืออารมณ์โทรศัพท์มันแรงอะฮะแล้วมันเลยแยกไม่ออกเลยเออนะ อยากให้หลวงพ่อช่วยทุบหน่อยครับว่าผมมีอะไรจะต้องหลวงพ่อสอนให้นะแล้วนะเรามีตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยเพื่ออาศัยจะได้เห็นว่าตัวหลงก็ไม่เที่ยงตัวรู้ก็ไม่เที่ยงจับหลักตัวนี้ให้แม่นไม่ใช่เอาตัวรู้หรอกนมันสการพระอาจารย์ครับผมก็ไม่ได้ส่งการบ้านมาประมาณเกืบอบ2ปีแล้วครับก็ปกติที่ทําอยู่ก็คือจะใช้ในรูปแบบก็คือจะสวดมนต์วันละประมาณครึ่งชั่วโมงอะฮะแล้วก็ระหว่างวันก็จะภาวนาสัมมาอรหังอะไรอยงนี้ครับ ก็หลังๆก็จะเห็นความหมุนหงิดกบโทศัก์ค่อนข้างเยอะอะไรนแตะขอคำแนะนำอาจารย์ช่วยก็เห็นกิเลสเกิดกิเลสดับก็ดีแล้วนะแต่จิตเราต้องสงบบ้างนะจิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตใจต้องมีความสุขบ้างถ้าเดินปัญญารวดไปแล้วจิตฟุ้งเนี่ยจะไม่มีแรงไปทำความสงบทำรูปแบบ สวดมนต์นะแล้วใจคิดถึงพระพุทธเจ้ามีความสุขใจสงบให้มันได้พักผ่อนบ้างเดินตัญญารวดไปเลยมันจะไม่มีแรงอพอเข้าใจไหมครับผมเนี่ใจมันไม่มีแรงจริงๆต้องทําสมถะบ้าง น, นี่สมถะเนี่ยแค่เราคิดถึงพระพุทธเจ้าใจเรามีความสุขที่คิดถึงพระพุทธเจ้านะใจก็สงบละ ถ้าใจเรามีความสุขอยู่ในอารมณ์อะไรนะใจจะสงบเพราความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิอย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนชอบหายใจตั้งแต่เด็กหายใจแล้วมีความสุขมีความสุ ข, สขจิตก็สงบรักพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างเวลากราบพระมีความรู้สึกเหมือนกราบลงไปแทบเท้าท่านเลยจิตใจมีความสุขใจิตใจก็สงบงั้นเราสวดมนต์เราไม่ใช่แค่ว่า สวดไปวันหนึ่งวันหนึ่งให้มันหมดเวลาหรือว่าทำข้อวัดแล้วเราดูคุณภาพมันด้วยเช่นเราสวดมนต์ไปวันนี้จิตใจเราฟุ้งซ่านเราน้อมใจคิดถึงพระพุทธเจ้าไว้หรือคิดถึงเนื้อหาของธรรม ะ, ะที่เราชอบอย่างสมณะชอบเรื่องหลวงพ่อชอบบทสวดมนต์ทำวัดเช้ารูปังอนิจจังเวทนาอานิจจาอะไรนี้ชอบเนี่ย ก็สวดไปแล้วใจสบายมีความสุขใจสงบนะได้สมาธินี่ถ้าวันไหนมีสมาธิแล้วสวดมนต์ไปเห็นร่างกายมันสวดใจเป็นคนดูเนี่ยเดินปัญญาเนะี่ยงการทําในรูปแบบเนี่ยทำทั้งสมถะทั้งวิปั ส, สนาได้แล้วแต่ว่าวันไหนจิตใจเราไม่มีแรงจิตใจฟุ้งซ่านเราก็ทําสมถะสวดมนต์แล้วรวนนลวละลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าจิตใจอิ่มเอิบเบิกบานจิตใจก็มีสมาธิได้พักผ่อน ต้องให้ใจได้พักบ้างถ้าวันไหนใจมีแรงแล้วสวดมนต์ไปก็เห็นร่างกายมันสวดใจเป็นคนดูแบบ น, น, นี้หมดเวลาทำในรูปแบบแล้วเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจาวันวิธีเจริญสติในชีวิตประจำวันก็คือให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดานี่แหละพอกระทบแล้วนะเกิดปฏิกิริยาที่จิตใจไปตามธรรมดาอีก เห็นรูปอย่างนี้มีความสุขเห็นรูปอย่างนี้มีความทุกข์ได้ยินเสียงอย่างนี้เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงอะไรขึ้นมารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจภายหลังการกระทบอารมณ์นี่เราจเจริญสติอยู่ในชีวิตประจําวันนะทําในรูปแบบด้วยทําในชีวิตประจําวันด้วยดีนะสวมดมนต์ได้วันหนึ่งครึ่งชั่วโมงดีมีไหมสวดแล้วอยากให้มันจบเร็วๆสวดเออนั่นแหละ ส่วนมากจะไปเราไปไปติดแต่รูปแบบมันเหมือนอย่างเราตั้งนาฬิกาไว้เราจะเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนะก็เดินอันนั้นเดินทําลายเวลาเ น, mm hmm. นี่ยเราเดินให้ได้สติให้ได้สมาธิเดินเจริญปัญญาเหมือนกันนั่งสมาธิเหมือนกันนั่งสวดมนต์ก็เหมือนกันไม่ได้นั่งทําลายเวลาแต่นั่งฝึกตัวเองวันไหนฟุ้งซ่านฝึกให้สงบ ภายในสงบแล้วฝึกเจริญปัญญาแยากขันไปเห็นร่างกายสวดใจเป็นคนดูนะกราบนมัส ก, การหลวงพ่อครับผมก็จะส่งกันบ้านในรอบเกือบ2ปีเหมือนกันครับคราที่แล้วผมมาหลวงพ่อบอกว่าผมติดเพ่งมากให้พิจารณากายเนื่องจากจริตเป็นคนรักสุขรักสบายอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากผ่านไปช่วงผลการปฏิบัติก็ผมก็เห็นการได้ชัดขึ้นเห็นจิต เป็นคนดูแย่ร่ oh, าง ก, กาย <okay. S 1> เป็นบางครั้งนะทนําอย่างบอกนะจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตเลยครับแล้วก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปครับเห็นแก่ตัวน้อยลงแล้วก็เห็นอัตราตัวตนมากขึ้นครับ mm hmm. แล้วก็แต่คือตอนเนี้ครับหลวงพ่อยังมีความรู้สึกเหมือนมีความตั้งใจอยากจะปฏิบัติมันก็ยังมากอยู่อะไรเงี้ยครับมันจะทําให้รู้สึกเกิดอาการแน่นๆตรงบริเวณหน้าผากเว mm hmm. ลาทุกครั้ง mm hmm. ที่ผมฟังหลวงพ่อหรือคิด คิดพิจารณาอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามจะดูความอยากตรงนี้ให้ทันอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นอาการอย่างอยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยครับผมก็เลยจะข อ, ขอเราเคยชินนะเราเคยชินกับการเพ่งแรงๆตอนนี้คลายออกแล้วเหลือนิดหน่อยมันก็แน่นอยู่หน้าผากแล้วใช่ครับ <laughs> รู้สบายๆต่อไปก็คลายครับแล้วก็ <laughs> ทุกวันนี้ผมก็สวดมน์กับพยายามดูลมหายใจนี้แล้วก็ดูอิริยาบถ ใน<ม>ชีวิตประจําวัน<ม>ก็คืออันนี้ถือว่าใช่ได้ใช่ไหมครับใช่ได้นะครับใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะครับแต่ว่าตรงที่ใจเป็นคนดูต้องระวังอันหนึง่งไม่ดึงเอาไว้ไม่เจตนาดึงให้ใจเป็นผู้รู้ผู้ดูตลอดนะไปรักษาตัวรู้ไว้ไม่ดีเลยจะแข็งแข็งแน่นแไม่ดีแค่ว่ามันมีอยู่แต่อย่าไปเพ่งใส่มันนะครับขอบคุณครับผม การนมั ส, สการหลวงพ่อค่ะไม่ได้ส่งมาเก้าเดือนแล้วะค่ะอืมก็ก็จริงๆก็เป็นก็ไม่ยังคิดการบ้านไม่ออกอะค่ะหลวงพ่อการบ้านเขาไม่คิดเอาแต่ว่าแต่ว่าหนูคิดว่ามันจําเป็นต้องส่งแล้วอะค่ะอืมส่งมาสิก็ <laughs> คือใจมันก็แบบมันคลายกว่าเมื่อก่อนเยอะอะค่ะอืมเมื่อก่อนมันจะค่อนข้างเพ่งเยอะอืมค่ะแล้วก็ รูปแบบเนี่ยมันตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะแบบทำให้ดีแล้วค่อยส่งแต่หนูรู้สึกว่าก้าเดือนมันก็ไม่ดีสักทีเดี๋ยวมันก็ท้อท้อเรื่อยๆค่ะท้อก็ไม่เป็นไรนะแต่ท้อก็ไม่เลิกนักปฏิบัติก็ต้องผ่านความท้อทุกคนแหละเป็นธรรมดาแต่ท้อก็ปฏิบัติค่ะแล้วก็ ตอนนี้ก็เลยอยากให้หลวงพ่อเมตตาช่วยดูให้หน่อยเขว่าหนูยังอยู่ในทางหรือเปล่าจิตใจมีเรี่ยวมีแรงไหมช่วงช่วงห้า ว, วันนี้ก็ภาวนามันก็มีแรงขึ้นนะคะแต่ถ้าเราช่วงไหนเราอ่อนแอมันก็แรงหมดนะอยากให้แรงหมดนะแรงน้อยไปฟิตๆหน่อยน ะ, ะนก็ไม่มีอะไรนะไปเพิ่มแรงหน่อยปลุกใจให้ฮึดสู้ไว้นะ ภาวนาอย่าไปภาวนาแบบสังกตายนะไปเรื่อยๆสู้สิสู้เอากราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูมาส่งการบ้านในรอบหนึ่งปีกว่าค่ะหลวงพ่อก็วันนี้ก็เลยมากราบถามหลวงพ่อค่ะว่าหนูยังอยู่ในร่องในลอยอยู่ไหมค่ะอยู่สิเห็นขันแยกบ่อยไหมเห็นร่างกายกระใจแยกกันไหม เห็นค่ะหลวงพ่อเป็ น, น <ะ S 1> บางครั้งค่ะอ<า>นะดีถ้าเห็นตลอดเวลาแสดงว่าไปดึงตัวรู้เอาไว้เห็นเป็นคลาล์คลาว์นะเห็นถูกแล้วนะต่อไปนี้ก็ดูเขาทํางานไปเรื่อยจิตใจเราช่างคิดดูออกไหมใช่ค่ะเป็น <c oughs> คนต้องคิด <laughs> มันคิดนะนี่พอมันคิดแล้วเกิดความรู้สึกเนี่อรู้ทัน<า>คิดเราสุขขึ้นมาก็รู้คิดแล้วทุกข์ขึ้นมาก็รู้นะคิดแล้วโลภโกรธหลงขึ้นมาก็รู้ รู้เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อไม่ให้คิดไม่ใช่เพื่อไม่ให้โลภกหกลดหลงไม่ใช่เพื่อจะไม่ให้ทุกข์ไม่ได้ห้ามสุขนะเรารู้เพื่อว่ามีความสุขขึ้นมาเรารู้ทันต่อไปเราก็เห็นว่าความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ทันก็เห็นว่าทุกข์ชั่วคราวถ้าใจยอมรับความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวไดนะ้ใจจะคลายออกนะพครูเจ้าสอนว่าถ้ามีอ น, นิจจานุปสัสสีตามเห็น เวทนาที่มันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเนืองๆ น, นะใจจะคลายตัณหาคลายความอยากออกถ้าตัณหาดับสนิทเราก็จะเห็นนิโรธเห็นพระนิพพานตัวที่ทําให้ใจเราเกิดตัณหาขึ้นก็คือตัวที่เราหลงกับเวทนา น, นั่นเองงั้นเราคอยรู้เวลาใจมันหนีไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งนะมันเกิดสุขเกิดทุกคอยรู้ทันเรื่อยไปไม่ได้รู้เพื่อบังคับแต่รู้เพื่อเห็นว่าสุข ก, ก็ชั่วคราวทุ ก, ก็ชั่วคราว ถ้าเห็นอย่างนี้ได้ต่อไปมันจะดับตันหาดับตันหาได้ก็จะแจ้งพระนิพพานงี่นเราคอยรู้ทันเลยเนี่ยมีผัสสะใช่ไหมก็เกิดเวทนาอย่างสวมติคนเขาคุยกับเราเขาชมว่าอาจารย์นี่สวยจังอะไรเงี้ยนะเรามีความสุขใจเราพองมีความสุขถ้าเรารู้ไม่ทันนะใจเราจะเข้าไปติดมันจะเกิดความอยากอยากเจอคนนี้บ่อยๆมาเจอแล้วมันชมอะไรเงี้ยนะ คนนี้มันว่าเรานะไม่อยากเจอมันนี่ก็ตันหาถ้าตันหาเกิดขึ้นใจจะดิ้นฉะนั้นถ้าเรารู้เห็นเวทนาทั้งหลายเกิดแล้วดับเวทนาเกิดแล้วดับเรื่อยๆจะไปใจก็พ้นจากตันหานำมัศาการเจ้าค่ะหลวงพ่อล่าสุดส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อเจ็เดือนที่แล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อบอกว่าให้จิตไม่มีแรงให้ไปทาสมาธิเพิ่มแล้วก็อย่า ก, กลัวการทำสมถะ เจ้าค่ะก็ไปทำทุกวันนะเจ้าค่ะคราวนี้ก็ที่ติดเพ่งมันก็เบาลงอนะ่ะเจ้าค่ะแล้วก็ก็รู้ทันมากขึ้นเวลามันไหลจะไปเพ่งอนะ่ะเจ้าค่ะแล้วก็เป็นกลางมากมากขึ้นแต่ว่าก็เห็นแล้วว่าคือจิตมันทำงานได้เองเราบังคับมันไม่ได้แต่ว่านั่นแหละเห็นอนัตตานะแล้วค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่ามันก็ยังไม่ยอมรับแล้วอย่างบาง สภาวะที่เข้าไปเห็นมันไม่ชอบมันก็จะเข้าไปทำเจ้าค่ะห้ามมันไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาเราฟ้ารู้ไปเจอถ้ะทั่งมันยอมรับความจริงนะถ้าเรายอมรับความจริงได้ก็ได้ธรรมะแต่เราอยู่ๆเราจะไปยอมรับนะจิตมันไม่ยอมด้วยเราต้องฝึกไปเรื่อยพาจิตให้ดูของจริงไปเรื่อยเห็นแต่เกิดดาบเห็นแต่บังคับไม่ได้ทีจุดหนึ่งเขาก็ยอมของเขาเองยอมเมื่อไหร่ก็ได้ธรรมะเมื่อนั้น แล้วค่ะเราช่วงนี้หนูต้องดูอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเจ้าค่ะทำสม่ําเสมอไปนะทําสมาธิด้วยไม่ทิ้งแค่ ะ, ะแต่เดิมต้องแก้การติดเพ่งก็จะต้องหยุดสมาธิไปชั่วคราวนะพอคลายการเพ่งออกได้แล้วก็ต้องฝึก อ, อีกทิ้งไม่ได้หรอกสมาธิเพราะถ้าทิ้งไปจิตจะไม่มีแรงแเห็นขันแยกไหมเห็นแล้วนั่นแหละทําถูกแล้ว แต่แรงยังไม่พอนะต้อง<ว>ทำสมาธิความฟุ้งซ่านมันยังแรงอยู่นะั่นะของโนจุดอ่อนอย่างที่ใจมันยังฟุ้งแรงอยู่นั้นเราไม่ทิ้งสมาธิหรอกแต่ไม่ใช่ไปเพ่งจนนิ่งถ้าเพ่งจนนิ่งมันไม่เดินปัญญาเราะั้นมันเป็นความสร้างความสมดุลที่ทํายากเหมือนกันนะถ้าไม่ทําสมาธิเลยก็ไม่มีแรงทําสมาธิมากก็ไม่เดินปัญญาไม่มีแรงก็เดินปัญญาไม่ได้นะ แรงมากเพ่ยงยังนิ่งเขาเดินปัญญาไม่ได้มันสุดตรงไปสองฝั่งของหนูตอนนี้แรงยังไม่พอนะแต่ว่ามันเริ่มเดินปัญญาแล้วขันมันแตกออกไปละดีหายากนะนับตัวได้เลยในโลกนี้มีคนตั้งหลายพันล้านคนที่แยกธาตุแยกขันได้มีไม่มากหรอกแยกขันไม่ได้โอ้อยัไปเจริญปัญญาได้ไงฮัลโหลนมัสการ ค, ครับหลวงพอ่อ นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาพูดคุยกับหลวงพ่อครับเป็นผู้เข้าร่วมอบรมแล้วก็ได้มาฝึกได้มาเรียนรู้<ม>เหมือนเป็นครั้งแรกที่ได้มาเรียนรู้ในทางปฏิบัติแบบหลวงพ่อครับอื<ม>แล้วก็ที่หลวงพ่อได้สอนว่าให้สมมติดูจถ้ารู้กรู้สึกก็ให้รู้มันรู้สึกอะไรคิดอะไรที่พี่ๆเขาได้สอนแต่ว่าพอกลับไปพอลองอยู่กับตัวเองฝึกเองแล้วเวลาคิดหรือว่าเวลารู้สึกสมมุติถ้าคิด ในใจก็จะรู้ว่าคิดแต่ว่ามันเหมือนจะมีเสียงพากว่าเนี่ยคิดนะหรือว่าถ้ารู้สึกไม่ชอบไม่สบายใจอะไรเงี้ยครับก็จะรู้ว่ามันไม่ชอบไม่สบายใจแต่มันก็จะมีเสียงเหมือนเสียงของตัวเองเออกมาว่าเนี่ยไม่ชอบไม่สบายใจย<ม>ังต้องพาก่อนนะฝึกกันหลายปีนะกว่าจะเลิกพากเพราะจิตของทุกค น, นมันช่างพูดครับมันไม่รู้เฉยๆแล้วมันแถมพากอ๋อแต่ว่าเราไปดูใจที่มีโทสะครับเราลำคานมัน ลำคาญนี่ก็ลาคาญตัวเองครับรู้สึกสั่นมากเออนั่นแหละมันลาคาญนะคือพอําคาญใจไม่เป็นกลางแล้อแล้วก็ดูไปว่าจิตมันพูดได้เก่งว่ะพูดได้ด้วยใช่ไม่มีปากสักหน่อยบางทีมันเถียงกันเองด้วยครับไม่เข้าใจออมันเถียงเองเก่งเก่งครับเราก็อยากอยากรู้ว่ามันเทศให้ฟังก็ได้นะครับอยากรู้ว่าทําอย่างงี้ยังไปถูกทางแล้วหรือถูกแล้วล่ะนะแต่ให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางไว้ จะยังเจือโทสะอยู่ครับผมนะกลั บ, บมามาตการหลวงพ่อครับมีคำถามเรื่องเดียวครับคือถ้าหากว่าเรามีระยะเวลาพอสมควรที่จะปฏิบัติได้เต็มที่เนี่ยเรามีวิธีพิจารณาและตรวจสอบได้ยังไงว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับแนวทางที่เข้มงวดหรือเป็นทุกขาปฏิปทาหรือเปล่านะครับต้องสังเกตเอาสินะทำแบบไหนแล้วสติมันจเจริญ อย่าเข้าข้างตัวเองนะสังเกตเอาอย่างบางคนนะต้องไปเดินจงกรมให้หนักนั่งสมาธิให้หนักกินให้น้อยนอนให้น้อยแล้วสติมันเกิดบางคนไปทําอะไรที่รุนแรงนะขี้โมโ ห, โหนะมันขี้โมโหอยู่แล้วพอไปอดกินอดนอนยิ่งโมโหยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่ยงงี้ก็ไม่เหมาะหลวงพ่อไปคุยกับครูบาอจารองหนึ่งนะท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเนี่ยปฏิปทาของท่านนะอดข้าวได้แต่อดนอนไม่ได้ ท่าว่าอย่างนี้นะถ้าท่านอดนอนหนึ่งคืนเนี่ยท่าต้องนอนชดเชยสาวันสามคืนใช่ไหมอย่างนี้แต่อดข้าวนะอดทีหนึ่งหลายวันถามว่าทําไมอดข้าวดแล้วสติดีท่านว่าอย่างนี้เราดูตัวเองว่าทําอะไรแล้วสติเราดีครับงั้นถ้าอย่างนั้นนี่ออขอเล่าประสบการณ์สั้นๆนิดหนึ่งครับคือเคยมีเรื่องจำเป็นเป็นเพราะว่าต้องออทํางานส่งสมัยที่ยังเรียนมาหาลัยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ย เริ่มเริ่มบริกรรมโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือการปฏิบัติหรือเปล่าแต่ว่าบริกรรมไปด้วยแล้วคราวนี้ก็จําเป็นไม่นอนเลยไม่เอ็นหลังไม่หลับทําได้อยู่สองคืนไปยอมแพ้เพราะกลัวตายในคืนที่สามก็จะคือจะเห็นเวทนาเห็นเห็นการปรุงแต่งเห็นอะไรชัดเจนตลอดแล้วก็รู้ว่ามือขยับร่างกายขยับแยกตลอดอแต่ว่าต้องหายใจหนักเพื่อรักษาสติไว้ทรงไว้ตลอดครับ อ, อ, อย่างนั้นก็ดีนะ แต่ว่าก็ต้องรู้จักเบรกเป็นช่วงๆครูบาอาจารย์บางองค์ท่านใช้วิธีที่รุนแรงอย่างเนี้ท่านอดข้าวมากเลยมากเป็นโรคกระเพาะเราก็เลือกเอาพอดีพอดีเนาะเดี๋ยวตายเร็วไป <laughs> แต่ถ้ามีชีวิตเดินยาวอยู่กับกิเลสนะตายเร็วไม่กลัวเราดูพอเหมาะพอเหมาะนะครับถ้าหากอดนอนแล้วสติดีก็อดนอน <c oughs> แต่หลายๆลยสองวันสาวันอะก็นอนครับที่ถามหลวงพ่อนี่เป็นเพราะว่าไม่แน่ใจว่าที่เห็นชัดเนี่ยเป็นเพราะว่ามันกลัวตายดุลแรงจนเห็นชัดหรือว่าเป็นเพราะสติมันดีขึ้นเลยเห็นชัดเ <c oughs> น, นั่นนะครับ <c oughs> มันมันแล้วแต่จริตนิสัยนะถ้าเคยฝึกมาแบบนั้นนะพอไปทําเขา้าของเก่ามันกลับมาง่ายนะสติมันเร็วลองดูสิกขอบพระคุณหลวงพ่อครับแต่ออดนอนแล้วอย่าไปขับรถนะ ตามนักมัธการหลวงพ่อครับเป็นผู้อบมาเข้าคอร์สอบรมเหมือนกันครับย้องไหมย้งแบบร้องคาราโอเกะเป็นผู้มาอบรมเข้าคอร์สเหมือนกันหลวงพ่อได้ยินว่าเป็นผู้อบพยพที่เมืองชนตอนนี้ผู้อบพยพเยอะอะครับหลวงพ่อก็คือตามที่ได้ฟังเทปจากหลวงพ่อนะครับแล้วก็จากที่คําแนะนําของพี่ๆพี่เลี้ยงต่างๆครับก็ลองไปภาวนาดูแล้วก็ ลองใช้วิธีบริกรรมพุโทโธแล้วก็กําหนดลมหายใจเขาเา้าออกแต่จะมีความรู้สึกตรงที่ว่ามันจะหนักตรงลูกตาแล้วก็มันอะไรนะหนักตรงลูกตาอ๋อแล้วก็จะขมวดคิ้วอยู่ตลอดเวลาในการคือเรา<จ>ไปดูจิตดูลมอะไรเนี่ยนะเราเอาตาไปดูเราคุ้นเคยอ่ะโอ้ยจะจ้องจ้องนะหนูพ่อก็เคยเป็นแก้กันเป็นปีเลยความมันจะยอมดูด้วยใจไม่เอาตาไปดู ตอนนี้เป็นอย่างนี้แหละธรรมดาครับแล้วหลวงพ่อพอจะแนะแนวแนวทางในการพต้องอดทนนะนอดทนไว้ทําให้ต่อเนื่องทําให้สม่ําเสมอของเก่าก็มีภาวนามาไม่กี่วันรู้สึกตัวไหมรู้ตัวได้บ่อยไหมรู้ตัวครับเห็นไหมกายกับจิตเป็นคนละอันกันยังไม่เห็นครับเห็นไหมตัวนี้สายหน้าเห็นไหมตัวนี้อา ป, ปากเห็นไหมตัวนี้พยักหน้า นี่แหละรเรียกว่าเห็นล้ะเราเห็นในตัวนี้มันทำงานไปใจเราเป็นคนดูเฉยๆสบายนะขันมันก็แยกแต่เราไม่รู้จับเห็นไหมมันครับมันไปยักหน้าเนี่ยเห็นไหมมันไปยักหน้าอีกแล้วดูเหมือนดูคนอื่นไปเรื่อยๆนะนี่แหละแยกขันละพอแยกไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยร่างกายที่อ้าปากปะ ง, งับปะ ง, งับอย่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะดูไปเรื่อยๆ ส่วนคนที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จนะเนาะเวลาที่เรารู้สภาวะนะแล้วจิตมันไหลไปรู้นะให้รู้ทันจิตนะเวลารู้สิ่งต่างๆนะจิตมันไหลไปเนี้ยเราต้องรู้ทันมันจิตจะตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ไหลตามไปนะไม่งั้นจิตมันจะไหลไปเวลาไปรู้อะไรจิตก็ไหลเข้าไปรู้จิตไม่ตั้งมั่นน ะ, ะกราบน้ำสการหลวงพ่อค่ะหนูนั่งตื่นเต้นมาตลอดเวลานันๆๆๆ ก็หลวงพ่อเคยเมตตาแนะนํำหนูไปถามหลวงพ่อที่สวนสุนันทาค่ะสปีกว่ามาแล้วค่ะหลวงพ่อบอกว่าให้ดูแบบเวลากายเคลื่อนไหวให้ขยับอะไรเงี้ยก็ก็ให้รู้ทันกายอย่างเงี้ยค่ะก็มีช่วงที่ปฏิบัติต่อเนื่องคือขยันปฏิบัติก็คือพยายามเดินจงกรมตอนกลางคืนทุกประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะก็เหมือนครั้งหนึ่งมี ปรากฏการ์เกิดขึ้นก็คือตอนเช้าตื่นมาเข้าห้องน้ำอะค่ะแล้วก็เหมือนจิตคิดฟุ้งพลวันคิดคิดคิดเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเหมือนมีมันเหมือนมีตัวหนึ่ง <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ค่ะขึ้นมาแล้วก็ไอ้ที่ฟุ้งฟุ้งน่ะดับไปเลยค่ะนั่นแหละมันมีตัวรู้ขึ้นมาตัวคิดมันก็ตายไปแล้ว même, <c oughs> แล้วมันขึ้นมาครั้งเดียวไม่ไม่มีอีกเลยค่ะอย่าอยากให้มันมานะไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ตามใจเราถ้าเราอยากแล้วมันหายไปเลยค่ะเมื่อมีแล้วก็หายไปไม่เป็นไร คอดูบ่อยๆรู้สึกเรื่อยๆแต่มันก็มาอีก<ช>คอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดน่ะมันจะมาบ่อยค่ะกะ็มันมีช่วงช่วงหลังที่หลงโลกไปอะคะ่ะแล้วก็เลยอตอนช่วงนั้นก็คือไม่ค่อยได้ปฏิบัติมากตอนหลังกลับมาปฏิบัติอีกก็คือเหมือนไปอ่านหนังสือคุณดังตินเรื่อง7เดือนนะคะก็คือพยายามดูลมพยายามพุทโธแล้วก็นั่งสมาธิแต่นั่งสมาธิก็หลับอะค่ะ อันนี้พี่ๆท well. ี <promotions> ่เข้าคอร์สก็บอกว่าให้กลับมาเดินจงกรมเหมือนเดิมอะค่ะพอกลับมาเดินจงกรมเหมือนเดิมคืนคืนที่คืนแรกหรือคืนที่สองก็ไม่ทราบก็เหมือนเห็นจิตหนีไปคิดได้ได้มากขึ้นนะคะอก็ดีนี่ยเขาสอนดีพอใช้เป็นเดินจงกรมได้เหมือนเดิมนะคะเช่ได้สเดินไปดูเท้ากระทบก็รู้สึกจิตหนีไปคิดรู้สึกนี้ไปไม่ใช่ไปดูเท้านะให้รู้ทันจิตไว้อย่าเดินจงกรมไป จิตนีไปคิดเราก็รู้จิตไหลลงไปอยู่ที่เท้าไปเพ่งเท้าก็รู้รู้ทันจิตไหม<ะ>ถ้าคืนไปดูเท้าเดี๋ยวจิตไหลไปอยู่ที่เท้าไปนิ่งๆอยู่กับเท้า<ะ>โลกนี้เหลือแต่เท้าน่าสงสารก็ดูดูทันจิตที่คิดใช่ไหมคะ <c oughs> รู้ทันจิตที่คิดนะจิตรู้มันจะเกิดแล้วจิตรู้เกิดเนี่ยจะกระดุกกระดิกอะไรรู้ทั้งตัวเลยรู้ตัวทั่วพร้อมนะไม่ได้รู้แต่เท้าหรอก<ะ>ถ้าจงใจไปรู้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยเป็นการเพ่งทั้งสิ้นเลยค่ะ แล้วก็บางครั้งหนูก็เหมือนเห็นอย่างสมุดแปลงฟันอยู่เหมือนแบบเห็นไม่ไม่ไมใช่ตัวเองเงคะ่ะก็จะกลัวเสร็จแล้วก็ก็รู้ไม่ทันก็รีบไปคิดเรื่องอื่นจะได้หายกลัวะค่ะใช่อย่างนั้นทำไมล่ะเห็นร่างกายไม่ใช่เราก็ดีแล้วนี่ไปดูอีกนะดูมากๆตัวเราไม่มีหรอกค่ะ บางทีขออีกนิดนึ่งนะคะบางทีก็คือบางทีเกิดโทสะอะไรเงี้ยค่ะก็คืออย่างเวลาทํางานกดเครื่องคิดเลขแรงๆก็เหมือนเหมือนมีตัวดูอยู่ออว่าตัวนี้มันกดอยู่เอออย่างนั้นดีสังเกตไหมถ้าไม่มีตัวรู้นะมันอินนะเดี๋ยวทําเครื่องคิดเลขของที่ทํางานผัง<อ> น, ะ น, น ถ, <อ>ถ้ามันมีคนหนึ่งเป็นคนดูนะโทสะจะหายไปก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะต้องเดินยงกลมนะ <laughs> เรางพ่อเราไ ม, ไม่หละหลวมในการตอบทําทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะนอนกราบถวายการปฏิบัติเป็นอาจารยบูชาด <สา S 2> <ล>้วยค่ะนะสาธุนะสาธุอย่าลืมพระพุทธเจ้านะ <c oughs> ถวายพระพุทธเจ้ากันครูใหญ่ของเรา <c oughs> ไม่มีท่านผู้เดียวนะโลกนี้มืดเลยเราจะมีชีวิตที่วางเวงวางเวงจริงๆนะ ชาติใดที่ไม่ได้พบพระพุทธศาสนาใจมันวังเวงหนูหนูพอดูเป็นแล้วใช่ไหมคะเป็นขอบคุณค่ะกล่านมัส ก, การท่านพระอาจารย์ค่ะยมเคยมาส่งการบ้านเมื่อเดือนมกราค่ะแลวครั้งนี้ได้มาเข้าคอร์สก็เลยเป็นโอกาสที่ได้ส่งการบ้านเป็นครั้งที่สองค่ะโถไม่เข้าคอร์สก็ส่งได้กลัวเหมือนกันค่ะ เป็นไงต่นนี้มาหลายเดือนแล้วให้การบ้านโยมว่าให้ไปดูจิตค่ะค่ะตอนนี้ก็เลยจะขอเมตตาพระอาจารย์สอนสั่งค่ะว่าที่ทำมานี่ถูกหรือผิดค่ะเห็นกิเลสไหมค่ะเห็นค่ะเห็นก็ถูกแหละเห็นไหมกิเลสมาแล้วก็ไปค่ะเห็นไหมจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกค่ะ เห็นไหมจิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเห็นบ่อยๆดีค่ะยิ่งบ่อยยิ่งดีนะแล้วทุกวันไหว้พระสวดมนต์เมื่อถึงพระพุทธเจ้าดีตอนที่เราสวดมนต์นะตั้งใจสวดมนต์คิดถึงพระเจ้าได้สมาธิได้ได้สมาธิอาจารย์ค่าโยมอายุมากแล้วอยากจะได้คําแนะนําไม่เป็นไรอายุมากไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเรามีสติอยู่นะ แค่คืนเดียวนะดีกว่าอายุตั้งร้อยปีนิยมอายุยังไม่ถึงร้อยหรอกแต่ว่ามีสติแล้วล่ะดีแล้วขคุณไม่ช้าเกินขอบพระคุณจค่ะอายุเท่าไหร่ตอนนี้หกสิบเก้าแล้วค่ะไม่มากไปเข้ามหากัรสปะบวชอายุสักหกสิบมั้งนีมีพระผู้ใหญ่ออกบวชอายุเยอะๆก็เยอะนะ มีรุ่นเรานี้ก็มีโลกตาผนึกกยมก็มารู้จักธรรมะก็ประมาณแถวแถวหกสิบอนั่นแหล ะ, นะะไม่ช้าเกินก็โง่ไปตั้งนานชีวิตคุ้มค่าแล้วหละค่ะนะค่ะหน้าต่อไปมี อ, อีกไหม ค, คะอาจารย์เหลือเวลาอีกนิดหน่อยไม่มีแล้วนะไม่มีเชิญกลับบ้าน